ซึ่งเราก็ได้สาธยายไปเมื่อวานหรือ2วันก่อนอันนั้นเรียกปฐ ม, มเทศนาอันนั้ตนตรัสรัตนูนี้ก็เป็นสิ่งที่มาขยายความจากสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงไว้ในธรรมจักรปัตนัสูตรจขยายความอย่างไรนะอันนี้ก็รับทราบไว้บ้างก็ดีนะเพราะมันจะช่วยในเรื่องการ เข้าใจทํแล้ว ก, ก็การปฏิบัติของเราด้วยธรรมจากรปตัูตรน น, นี่พระเจ้าก็ได้พูดเป็นครั้งแรกถึงเรื่องทางสุดต่งสองทางนะการผัวพันหมกมุ่นในการรมและการทรมานตนแล้วก็พูดถึงเรื่องทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจสีนะ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 ความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกระแค้นใจอทุกขเวทนานั่นเอง เ, อเราทุกขเวทนามันเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะทุกขเวทนาทางใจเมื่อเราไปมีตัณหาคือไปอยากไปยึดในสิ่งที่มันยึดไม่ได้นะในสิ่งที่มันเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มัน เ, เสื่อมสลายดับไปไม่ช้าก็เร็ว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 เราก็อย่าไปแบกมันเราก็อย่าไปถือมันขนั้นองแต่ทำไมถึงอยากไปถืออยากไปแบกเพราะมีตันหาแล้วก็มีอวิชชาอวิชชากนคือความหลงว่าไอ้ฐานก้อนแดงๆเนี่ยคือปุยนุ่นหรือว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเพชรเป็นทองนะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราหรือไปเห็นว่าไอ้ก้อนหินนั้นเนี่ยนะมันคือดอกบัวหรือว่าเป็นเงินทอง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 หน้าตาสะาสวยหลอเลานะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมไปต้องแปรปวนไปเพราะรูปเป็นตัวทุกข์นะรูปเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่ยึดนะไม่ยึดในรูปนะเราก็ไม่ทุกข์นะอันนี้สำคัญมากรูปนั้นเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปยึดมันไปยึดไปอยากให้มันเที่ยงให้มันเป็นสุขเราก็ไม่ทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือไม่ทุกข์ใจแต่ว่าทุกข์กายยังมีอยู่นะ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 หรือหมอไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องวิญญาแล้วนะวิญญาหมายถึงการรับรู้การรู้แจ้งการรู้การรู้อารมณ์ทั้งหกนะหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยนะก็อยากจะรับรู้นะว่าหนังสือนี่เขาว่าอะไรแต่ว่าใจเนี่ยมันมัวแต่ว่าหัวเนี่ยมันมัวแต่ไปรับรู้แต่เสียงนะเสียงที่ดังมาจากข้างบ้าน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 ยัไม่ทันได้กินเลยนะเพียงแค่เห็นรูปเนี่ยก็ไม่ชอบแล้วว่าทําไมทําอย่างนั้นแล้วคนเราก็ติดในรูปมากนะเจเตียงง่ายๆเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราจะกินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์จะกินหูฉลามเนี่ยตอนที่เคี่ยวในปางนี่อร่อยไหมอร่อยนะแต่ถ้าเกิดคลายมาคลายมาใส่จานเนี่ยและะ้วยังจะกินต่อได้ไหม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 สัญญาว่าขยะนี้ก็มีทธิพลต่อเรามากนะทั้งที่มันมันอร่อยนะแต่พอเห็นหน้าตาของมันละเห็นรูปของมันละกินไม่ลงละนะหรือพอไปหลงว่ามันเป็นอ่าไปหลงกับสัญญาหรือสมมุติว่ามันคือขยะนะนั่นคําว่าอาหารกับขยะเนี่บางทีมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละที่ถ้ามันอยู่ในปากเราก็เรียกวอาหาร พอมันออกจากปากเราเราเรียกว่าขยะแต่ที่จริงรสชาติเหมือนกันเลยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันหมดใช่ไหมเนี่ยนี่เราติดสมมุติมากนะการติดสมมุติก็ทําให้เราเป็นทุกข์นะเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาเนี่ยมันพอเราติดในเวทนานะความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบความปวดเราไม่ชอบความเมื่อยเราอยากผักสายมันออไปการผักสหรืออยากผักสานี่ก็เป็นตันหาแบบหนึ่งนะ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 ยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธโดยไม่รู้ตัวไปแบบความโกรธเอาไว้ที่ผู้มาทั้งหมดนี้เพื่อชีวิตเพราคนเราเนี่ยมันทุกเพราะความยึดติดถือมั่นนะทุกขเพราะการไปแบบเอาไว้เจ้าว่าแต่ของเจ้ว่าแต่ของดีๆที่เราปรารถนาเช่นทรัพย์สินเงินทองนะซึ่งมันเป็นตัวทุกข์โดยธรรมชาติของมันแม้แต่ของที่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีเช่นความโกรธ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 พอพูเท่า น, น, นี้นีนน่นายตำรวจคนนัแกคลิกเลยนะแกะคลิกเลยว่าแกเคลีย ก, กคือว่าแกรู้แกเลยเข้าใจโอ้ที่แกทุกไปทั้งหมดเพราะแกะไปแบกไปแบกเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะไม่ปล่อยไม่วางแกก็เลยทุกเนี่เรื่องนี้คล้ายๆกับอีกเรื่องนึงนะทีะ่มีนาวาเอกคนหนึ่งมากราบ สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะองค์ก่อนๆ น, นี่ชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์ก็เป็นอุปชาของในหลวงปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้คงจะประมาณสักหกสิปีมาแล้วมั้งหกปีได้แก่สมัยก่อนเข้าทอดสังฆราชง่ายนะไม่มีพิธีรีอตองมากแล้วก็คุ้นเคยกับพระสมเด็สังฆราชองค์นี้พอกราบเสร็จก็ไม่พูดอะไรนะสีหน้าดูทางอมทุกข์ ส่วนในภษสังกัดเจ้า ก, ก็เลยถามว่าเป็นยังไงพักนี้หนักครับแย่จนจะทนไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นไงล่ะเจ้ากก็ระบายฝั่งนะั้นเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาความทุกข์ในราชการความทุกข์เกี่ยวกับครอบครัวสารพัดประดังประเดระบายนะให้ส่วนในภาษาสังกัดเจา้าฟังพรังพรวมาคล้ายๆกับนายตำรวจคนที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้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 อยากขยับหรือเคลื่อนไปไหนนะให้รอข้ากลับมาถ้าเรียกตัวว่าข้านะคุ้นเคยกัมากเดี๋ยวข้าจะเข้าไปในตำหนักสักครู่ท่านไปห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วยังไม่เสด็จกลั บ, ลบมาเลยนัวิยคนนั้นเนี่ยถื อ, อกระดาษแค่แผ่นเดียวนะบอกว่าพอสักยี่สิบนาทีนี่ก็ชักเมื่อยแล้วนะมือเริ่มสั่นแล้วนะ เหงื่อเริ่มออกนีไอ้กระดาษแผ่นเดียวนี่มันกลายเป็นหนักขึ้นมาได้นะพอ20นาทีผ่านไปเสรีสประสังกราชก็เสด็จออกมาแล้วท่างกระถาเป็นไงหนักครับ น, นผมเมื่อยจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยท่า น, น, นก็ว่าแบกจนจะจนจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วนะมันหนักเหลือเกินเมื่อยมาก พระสังฆราชก็บอกว่าอ้าวถ้ามันหนักมากมันเมื่อยมากก็วางมาลงสื่อนะถือไว้อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไร น, ะนี่ท่านสอนแล้วนะสอนนาวัาอีกคนนั้นว่าอะไรว่าอย่าไปแบกนะแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรนี่ถ้าถือไว้านานๆนี่ไม่ต้องชั่วโมงหนึ่งหรอกแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็เมื่อยแล้วนะ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 ครอบครัวหรือโตเกี่ยวกงานการก็แล้วแต่ถามว่าแบกแล้วทุกไหมทุกแล้วจะมายังแบกอยู่นะเพราะไม่รู้ตัวนะพราะไม่รู้ตัวก็ไปแบกเอาไว้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรามีสตินะพอใจเนี่ยมันเริ่มทุกเนี่ยนะใจเริ่มกระเพื่อมใจเริ่มรู้สึกร้อนเนี่ยมันจะกลับมาดูเลยว่าเฮ้ยมันร้อนเพราะอะไร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 มีได้นะแต่ให้รู้ทันหรือพูดอย่างหลวงปู่ ด, ดูลย์คือว่ามีแต่อย่าเอานะแล้วที่ไม่เอาได้ที่ไม่เอาไม่แบกนะก็เพราะมีสติกนะก็ฝากเอาไว้นะอ่านคำนี้กระพร้าพร้อมกัน